ซับสอ ง, ส อ, งอย่างพระก็ดีเนนก็ดีทำจริงก็เป็นทุกคนแหละจริงแค่ไหนละ่ะจะเป็นทุกคนนะ่ะแค่ชีวิตสี่เป็นทุกคนจริงอย่างไรละ่ะนั่งลงไปประเดี๋ยวก็ได้รู้จริงกันละ่ะนั่งลงไปเมื่อเต็มทีเอะเมื่อยก็เมื่อไไปปวดเต็มทีอ้าวปวดก็ปวดไปทนไม่ไหวก็ทนไปทนให้ไหว มันจะแตกก็แตกเดี๋ยวนี้ดับให้มันดับเดี๋ยวนี้ไม่ถอยเลยให้เอาจิงเอาจังต้องให้เป็นทุกคนไม่ต้องสงสัยละพระสิษทธธัตทะราชกุมารทำมาแล้วเนื้อเลือดแห้งกดหม ด, หมดไปไม่ว่าเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันนี่มันก็เป็นทุกคนเท่านั้นแต่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นนี่สิพอนั่งเข้าไปพอปวดเล็กๆน้อยๆเมื่อยเล็กๆน้อยๆเอาแล้วแอเสเียแล้วออยเสียแล้ว นอนเสรยแล้วเอาเข้านั่นแหละแล้วจะเอาของจริงตัวไม่จริงแล้วจะได้อย่างไรต้องจริงสิจริงเอาชีวิตเข้าแลกจึงจะได้สมความปรารถนานะให้รู้เข้าใจของจริงอย่างนี้นะเมื่อรู้เข้าใจของอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยละพึงรู้ชติเถอะบอกให้ตรงตรงไม่วนแวะนเวียนไปทางหนึ่งทางใดละทางไปของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แท้ๆเชียวละ เมื่อรู้แน่เช่นดีล้วก็จงทําให้เป็นเป็นได้ทุกคนนั่นแหละทรัพย์นั้นถ้าจะจัดออกไปเป็นสองอย่างคือเรียกว่าสวิญญาณกัทรัพย์ที่มีวิญญาณอวิญญาณกับรับซับที่ไม่มีวิญญาณสวิญญาณกับซับซับที่มีวิญญาณนั้นเป็นทรัพย์เป็นอวิญญาณกับรับซับที่ไม่มีวิญญาณนั้นเป็นทซั์สาย วันนี้เราไม่รู้จักซับเป็นซับตายอยากจะหาซับตายเรื่อยไปให้ซับเป็นไม่หาถ้าคนมีปัญญาเขาก็หาซับเป็นเขาไม่หาซับตายหรอกซับเป็นเป็นนั่นแหละเป็นข้อซับสำคัญคือเราเป็นผู้ทําตัวของเราให้ดีไปอยู่บ้านไหนเมืองไหนก็รับรองทุกบ้านเชื้อเชิญทุกบ้านอยากให้อยู่ทุกบ้าน ให้เงินให้ทองสนับสนุนเลี้ยงดูปูเสืออินทร์นำสำราญอยากจะให้อยู่บ้านของตัวนั้น <c oughs> เห็นไหมละ่ะตัวเองนี่แหละเป็นทรัพย์เป็นขึ้นมันเป็นสิริญาณกะทรัพย์ขึ้นเราทำตัวของตัวดีถ้าตัวมีวิชาดีเป็นทรัพย์หมดทั้งตัวมีวิชาดีเล่าเรียนความรู้ให้สามารถจนกระทั่งรัฐบาลต้องประสงค์จนกระทั่งครอบครัวใหญ่ๆต้องประสงค์ จนกระทั่งคนมีปัญญาเห็นเข้าแล้วก็เคารพบ น, บนอน้อมทีเดียวอยากจะเอาไปอยู่ด้วยอยากจะเอาไปเป็นพวกด้วยนั่นให้รักษาตัวเป็นเช่นนั้นหญิงถ้ารักษาตัวเป็นเช่นนั้นเข้าหญิงก็ศึกษาวิชาของผู้หญิงเข้าให้สุดความสามารถของตนให้เป็นคนฝีมือดีเย็บปักถักร้อยดีทุกอย่างปรุงสุพยรญชนะอร่อยทุกอย่างให้มีฝีมืออย่างนี้นี่แหละ เป็นสวิน ญ, ญาณกรัพย์ขึ้นมาทีเดียวให้มีฝีมืออย่างนี้นี่แหละเป็นสวิน ญ, ญาณกรัพย์ขึ้นในตัวทีเดียวไม่ต้องไปสงสัยละอยู่ที่ไหนเขามาเรียกร้องหาหนักเข้าจนพระเจ้าแผ่นดินต้องการตัวฝีมืออร่อยนะักไปปรุงข้าวจริงๆอร่อยทีเดียวลืมมือคนอื่นหมดเอาละออกจากพระเจ้าแผ่นดินไม่ได้ละเห็นไหมละสวิน ญ, ญาณกระพย์ก็เป็นรั์เป็นขึ้นดังนี้นะ นี่แหละสวิน ญ, ญาณกระซับเป็นอย่างนี้ยอดทีเดียวปศุสัตว์ต่างๆมีชีวิตเป็นอยู่มากน้อยเท่าใดวัวควายช้างมา้าแพะแกะเป็ดไก่สุกรเหล่านี้มากน้อยเท่าใดเป็นสวิน ญ, ญาณกระซับทั้งนั้นแต่สวิน ญ, ญาณกระซับเหล่านั้นเป็นสวิน ญ, ญาณกระซับเลวสวินญาณกระซับจริงๆละ่ะก็ตัวของตัวเองนั้นทั้งนั้นแหละ จะเป็นสวิญญาณประซับได้หรือไม่ถ้าเป็นสวิญญาณกระสับคนเดียวแหละเป็นประโยชน์แก่คนมากนักนั่นเป็นสวิญญาณประสับเกิดขึ้นในตัวเองมีชื่อเสียงแล้วนั่นเป็นสวิญญาณกระสับขึ้ น, น, น, น, น, ญญนถ้าว่าไม่ฉลาดไม่รู้จักรั์อย่างนี้ก็ไม่สร้างตัวของตัวให้ดีขึ้นก็ปล่อยไปตามยะถากรรมมันก็ใช้อะไรไม่ได้ฟีมือไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่ง ฝีมือไม่ดีเลยก็หัดเข้าแก้ไขข้อขัดข้องของตัวเข้าไม่ขยันทําขึ้นไม่ปรุงขึ้นให้เฉลียวฉลาดขึ้นเย็บปักถักร้อยไม่เป็นก็มองดูเขาตาหลองไปไม่เป็นเรื่องไม่ทําให้เฉลียวฉลาดขึ้นในตัวของตัวไม่ทําอย่างนี้คนขี้เกียรติที่คร้านไม่รู้จักสมบัติของตัวไม่รู้จักสมบัติมันก็เป็น คนสมบัติเร็วๆไปทั้งชาติเป็นสวินญาณกระซั์ที่เร็วไปไม่เป็นสวินญาณกระพั์ที่ดีไปปัญญาคือทรัพย์เป็นคือสมบัติลักค่ามีทรัพย์สินมากค่าขนาดนั้นะจะเทียบกับปัญญาหามีไหมมีเงินทองใช้มากอาหมดไปมีปัญญาใช้เท่าไหร่ไม่หมดตัวแม้หากเป็นนักรุกผู้เก่งกล้า บทปัญญาคงหมดสิ้นแม้แต่ใช้สมองตรองรึกไม่นึกกลัวอย่าเมามัวจงหาทางสร้างปัญญายามขับขันใช้ปัญญาเป็นผู้ช่วยพารอบนวยมรณนสิ้นสัมภารมีปัญญาเตรียบทรัพย์สินมีราคาราบชีวาวางวายผู้กายตน